เมื่อท่านอุปติสัตวและโกลิตะได้อุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนิยมเรียกท่านว่าสารีบุตรและโมกขลานะแม้พระตถาคตเจ้าเองก็ตรัสเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนามอุปติสัตวและโกริตะได้หายไปพร้อมกับการอุปสมบทของท่านทั้งสองพระโมคขลานะมื่ออุปสมบทแล้วได้เจ็ดวันไปทําความเพียรอยู่นา ใกล้หมู่บ้านกาลาวาละมุตคามถูกความง่วงครอบงำไม่อาจให้ความเพียรดำเนินไปได้ตามปกติพระาศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงแสดงอุบายสำหรับแก่ง่วงเช่นเมื่อความง่วงครอบงำให้เอาใจใส่ไคร่ครวนถึงธรรมซึ่งได้ฟังแล้วได้ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรสาธยายคือท่องออกเสียงธรรมะ ที่ได้ฟังมาแล้วศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรยอนหูทั้งสองข้างเอาฝ่ามือลูบตัวไปมาบ่อยๆถ้ายังไม่หายง่วงควรลุกขึ้นยืนแล้วลูบในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดวงดาวนักขัดปะเลิกถ้ายังไม่หายง่วงควรทำในใจถึงแสงสว่างว่าบัดนี้สว่างแล้วบัดนี้สว่างแล้ว ทำจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นให้รู้สึกว่าเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อถ้ายังไม่หายง่วงควรเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาข้อธรรมสํมรวมอินทรีย์ไม่ส่งจิตไปภายนอกถ้ายังไม่หายง่วงพึ่งนอนแบบสีหสายยาคือตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันเล็กน้อย มีสติสัมปชัญญะตั้งใจจะลุกขึ้นในทันทีเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกด้วยมนาสิการว่าเราจากไม่สแสวงหาความสุขจากการนอนจากการเองหลังจากการเคลิมหลับดูก่อนมกขลานะอีกอย่างหนึ่งเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจากไม่ชูงวงคือถือตัวทนงตนเข้าไปสู่ตระกูล เพราะถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเธอจะร้อนใจเป็นอันมากบางครั้งบางคราวคราหัสทั้งหลายเป็นผู้มีกิดมากมีธุระมากอาจนึกไม่ถึงภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลภิกษุผู้ชูงวงอาจคิดมากว่าบัดนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้มนุษย์พวกนี้จึงได้มีอาการที่เหินห่างจากเรามีอาการอิจฉาระอาใจต่อเรา เมื่อไม่ได้อะไรๆจากตะกูนั้นเธอก็เก้อเขินคลั้งเก้อเขินก็เกิดความคิดฟุง้งซ่านไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิโมคลาณนาะอีกอย่างหนึ่งเธอควรสมเนียกว่าเราจะไม่พูดคําอันเป็นเหตุให้ต้องเถียงกันหรือผิดต่อกัน เพราะเมื่อมีถ้อยคำทำนองนี้ก็จะต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านทันฟุ้งซ่านก็จะเกิดการไม่สํมรวมเมื่อไม่สํมรวมจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิโมฆาละนะอีกอย่างหนึ่งเราไม่สนเสริญการคุกคีด้วยหมู่ชนทั้งครหัตและบรรพชิตแต่เราสนเสริญการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดควรเป็นที่รีกร้นอยู่ตามสมณวิสัย พระราดาพระบรมพุทธโอวาทของพระศาสดาในเรื่องอุบายแก่ง่วงก็ดีเรื่องการยกงวงชูงาก็ดีเรื่องการเว้นพูดถอยคำอันเป็นเหตุให้เถียงกันก็ดีและเรื่องการอยู่ในเสนาสนะสงัดก็ดีควรเป็นเรื่องที่เตือนใจอันสําคัญของพุทธศาสนิกชนทั้งกฤหัตและบรรพชิตพระราดาเอย่ยการชูงวงคือการทะลงตนนั้น เป็นกิเลส ท, ที่ร้ายอย่างหนึ่งซึ่งครอบงำจิตของมนุษย์อยู่ทั้งครหอขัดและบรนประชิตพระศ า, าสดาทรงเรียกมันว่ามานานุัยอนุัยคือมานะคือกิเลส ท, ที่นอนสยบอยู่ในขันทสันดานเมื่อถูกกวนก็จะฟูขึ้นทันทีมานะมีลักษณะให้งตนว่าแกเลวกว่าข้าบุคคลผู้มีมานะจัดย่อมมีลักษณะเชิดชูตนเอง อวดตนจัดยกตนข่มผู้อื่นเนืองๆมองไม่เห็นใครดีหรือสําคัญเท่าตนซึ่งเป็นการมองที่ผิดตามความเป็นจริงแล้วบุคคลย่อมมีความสําคัญตามฐานะของตนของตนแม้บุคคลผู้หนึ่งจะเป็นเหมือนไม้กวาดและผ้ากี่ริ้วส่วนบุคคลอีกผู้หนึ่งเป็นเสมือนดอกไม้ในแจกันก็ตามไม้กวาดและผ้ากี่ริ้วย่อมมีความหมายและมีความสําคัญ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 และเป็นฐานรองรับให้สูงเด่นอยู่ได้ควรมีเมตตากรุณาส่งเสริมเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องมีคุณอย่างหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่งเหมือนไม้แม้พันไม่ดีก็ช่วยต้านลมให้ได้เมื่อลมตายลงก็ช่วยเป็นปุ๋ยให้ได้ริงอยู่เราปลูกหญ้าห้เทียมตานไม่ได้แต่หญ้าก็มีประโยชน์อย่างหญ้าช่วยให้ดินเย็น เมื่อตัดให้เรียบร้อยก็ดูสวยงามนั่งเล่นได้เป็นต้นเจดี JD ที่สวยงามต้องมีทั้งยอดและฐานชั้นใดชุมชนก็ฉันนั้นต้องมีทั้งคนสูงและคนต่ำคนที่เป็นยอดและเป็นฐานต่างทําหน้าที่ของตนไปให้ชุมนุมชนดําเนินไปได้โดยสกบเรียบร้อยในรายที่ความทะนงตนไม่ได้เปิดเผยโจงแจ้งก็อย่าได้นอนใจว่าไม่มี มันอาจจะแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ลึกๆคอยโอกาสอยู่ใจเผลอขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดมันจะแสดงตนทันทีบางทีก็เป็นไปอย่างหยาบคายบางทีเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนอาหางการหรืออสมิมาณนะคือความถนงตนนั้นให้ความลาบากยากเห็นแก่มนุษย์มามากนักหนาแต่มนุษย์ก็ยังพอใจถนอมเหมือนไว เหมือนดอกไม้ประดับเสียงซึ่งจะ ก, ก้มลงไม่ได้กลัวดอกไม้จะหลน่นมันเหมือนแผงที่ค้าคอทำให้คอแข็งหน้าเชิดแล้วเอาศีรษะกระทบกันต้องปวดเสียงเวียนกล้าวตามๆกันไปลองตรองดูเถิคดความโกรธความเพียดชังกันความแข่งแย่งแข่งดีการคิดทำลายกันล้วนแตกกิ่งก้านสาขามาจากลำต้น คืออาหารการหรือตนงตนทั้งสิ้นทะลมต้นคือความทนงตนการถือตัวจัดถูกทำลายแล้วตัดได้ขาดแล้วการกระทบกระทั่งย่อมไม่มีจิตสงบราบเรียบและมั่นคงเป็นความสุขอย่างสมบสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าการถอนอสมิมานะเสียได้เป็นบรมสุขดังนี้ วิธีถอนอสมีมานะนั้นในเบื้องต้นให้พิจารณาเห็นโทษของความถนงตนว่าเป็นเหตุให้ทำความเสียหายนาน า, นาประการแล้วพยายามบรรเทาด้วยความพยายามโค้กเข้าใจผู้อื่นให้อภัยผู้อื่นเห็นความสําคัญของผู้อื่นเรามีชีวิตอยู่ด้วยความสําคัญของผู้อื่นทิฐิมานะจะได้ลดลงการถ่อมตัวจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นคนที่น่าเคารพกราบไหว้ ส่อให้เห็นคุณธรรมภายใน ก่อนพระราดาส้มที่มีผลดกกิ่งยอ่อมโน้มลงมาข้าวรวงใดเม็ดเต็มรวงยอ่อมโน้มลงมาเหมือนกับว่าจะนอบน้อมโค้งให้แก่ผู้สัญจรแต่ส้มกิ่งใดาตายไม่มีผลเลยข้าวรวงใดรีบส้มกิ่งนั้นและข้าวรวงนั้นจะแข็งทื่อชี้โด่งกระด้างฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนใดมีคุณธรรมภายในคนนั้น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 คนที่ทะนงตนว่าสำคัญนั้นยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าตนอยู่มากมายเช่นข้าวน้ำเสื้อผ้าอาหารลมหายใจและยารักษาโรคล้วนแต่สำคัญกว่าบุคคล น, นั้นทั้งสิน้นเพราะเขาต้องอาศัยมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขาดไม่ได้แม้คนที่ได้ประสบความสำเร็จในการงานด้านใดด้านหนึ่งก็หาสาเร็จไปโดยคนเดียวได้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากมายจรไนไม่หมดสิน้น ในประการต่อมาพระศ า, าสดาทรงประธานพระพุทธโอวาทมิอายินดีในถ้อยคำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะมีแต่เรื่องที่พูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านจิตจะห่างเหินจากสมาธิพระราดามีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเชิดชูตนด้วยการประทะคารมกับผู้อื่นด้วยต้องการจะโอ้อวดฟี ป, ป่าให้คนทั้งหลายชื่นชมว่า เป็นปาดมีปัญญามากหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้เจตนาเช่นนั้นนำไปสู่การทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทนำไปสู่การแตกสามัคคีการแตกสามัคคีนำไปสู่ความเสื่อมนานาประการบางประเทศต้องเสียบ้านเสียเมืองให้แก่ฆาสิกก็เพราะว่าคนในบ้านเมืองแตกสามัคคีกันข้อดีมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เป็นมากมาย วิธีหลีกเลี่ยงถ้อยคำอันเป็นเหตุเทศเทียงกันก็คืออย่าพูดจาเมื่อเวลาโกรธและอย่ายึดถือทิฐิของตนให้มากเกินไปจนกลายเป็นคนหลงตนเองการกระทำด้วยความหลงตนเองมีแต่ความผิดพลาดเป็นเบื้องหน้าประการต่อมาทรงโอวาดพระมหาโมคคลานะว่าทรงสรรเสริญการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดไม่สรรเสริญการคุกคลีด้หมู่คณะทั้งบรญชีิษและครือัด บรรพชิตผู้บวชแล้วมีเจตนาในการสแสวงหาวิเวกเบื้องแรกต้องได้กายวิเวกก่อนจิ ต, ตวิเวกคือความสงบทางจิตจึงจะเกิดขึ้นเมื่อความสงบจิตเกิดขึ้นอุปทิวิเวกคือความสงบกิเลสก็จะตามมาพระราดามีอสวะมากมายเกิดขึ้นเพราะการคุกคลีไม่ว่าฝ่ายบรรพชิตหรือกฤหัตทั้งนี้ ท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้ชุมนุมเมื่อมีกิจจำเป็นแต่เมื่อสิ้นธุระแล้วก็ควรจะอยู่อย่างสงบเพื่อให้รู้จักตนเองให้ดีขึ้นคนส่วนมากพยายามจะรู้จักคนอื่นวันหนึ่งวันหนึ่งให้เวลาล่วงไปด้วยการอยู่กับคนอื่นโอกาสที่จะอยู่กับตนเองมีน้อยจึงรู้จักตนเองน้อยไปตราบใดที่บุคคลยังไม่รู้จักตนเองยังไม่เข้าใจตนเองตราบนั้น เขาจะพบความสงบสุขภายในไม่ได้และจะเข้าใจผู้อื่นไม่ได้ด้วยการอยู่อย่างสงบจึงเป็นพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพราะผู้ที่มีใจสงบย่อมไม่คิดเบียดเบียนบมอพระบรมศาสดาสตรัสพระธรรมเทศนานิจบลงพระมหาโมคคลานะทูลถามว่าด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรพิสูุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสาเร็จอย่างยิ่ง กเกษมจากโยคะธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจรีบุคคลอย่างยิ่งประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระบระมศาสดาตรัสตอบว่าโมคคลาณนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงอันคลๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรั้นได้สดับดังนี้แล้วเธอทราบทำทั้งปวงด้วยปัญญายิ่งครั้นทราบทำทั้งปวงชัดอย่างนี้แล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงดังนี้แล้วเธอได้ประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเป็นดังนี้เธอย่อมมีปัญญาในทางเบื่อหน่ายในทางดับในทางสละคืนซึ่งเวทนาคือความรู้สึกในอารมณ์ทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ ย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งไรๆในโลกเมื่อมไม่ยึดมันมมดด่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเพราะทราบชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วและกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วว่าโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่า น้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสําเร็จอย่างยิ่งกเกษมจากโยกธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจารีบุคคลอย่างยิ่งถึงที่สุดอย่างยิ่งประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระราดาพระพุทธโอวาทที่ว่าธรรมทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา เป็นยอดแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยไม่มีเชื้อเหลือคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอนุปาทาปรินิพานสิ่งใดที่ผู้คลเข้าระยึดมั่นแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์นั้นหาหมีใหม่แต่โลกนี้มีเหยื่อล่อเพื่อให้ผู้ไม่รู้เท่าทันติดอยู่สยบอยู่มกมุ่นพัวพันอยู่แล้วโลกก็นาทุกข์นั้นเชือลงไป แทรกซึมลงไว้ในสิ่งที่บุคคลติดอยู่มกมุ่นพัวพันอยู่นั่นเองโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขนขายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์โลกก็เหมือนกับการตักน้ำไปเทรถทะเลทรายหรือเมือนการขนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ่นรนเพื่อให้เต็มปรารถนาแต่ก็หาสาเร็จไม่ยิ่งเด่มอารมณ์โลก ทุกขเวทนาอย่างโลกโลกก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนที่เกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายแล้วไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงพระมหาโมคลานะได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทได้สำเร็จพระอรหัตผลในวันนั้นฝ่ายพระสารีบุตรเมื่อบวชแล้วได้กึ่งเดือน พักอยู่กับพระศาสดาณถ้ำสุกราขาตาบนภูเขาคิชกูรเขตเมืองราชเคฤืกนั่นเองปริพาชกผู้หนึ่งชื่อทีคณาคะอักิเสษะโครธผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเที่ยวเดินตามหาลุงของตนมาพบพระสาลีบุตรกำลังอยู่ถวายงานพัดพระศาสดาอยู่เกิดความไม่พอใจจึงกล่าวขึ้นว่าพระโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พอใจหมดพระราดาคำกล่าวทํานองนี้เป็นการกล่าวกระทบเป็นเชิงว่าเขาไม่พอใจพระศาสดาผู้ให้พระสาลีบุตรผู้เป็นลุงของเขาบวชเพราะพระศาสดาก็รวมอยู่ในคำว่าสิ่งทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนาวรณายานทรงแตกฉานในถ้อยคำภาษาและความหมายตรัตอบว่า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 บางสิ่งไม่ควรแกเราเราไม่ชอบใจอักขิเวสณาทิฏฐิของสมณะพราหมูพวกแรกนั้นเอียงไปในทางเกลียดชังสิ่งทั้งปวงทิฏฐิของสมณพาพราหมพวกที่สองเอียงไปในทางกำหนัดรักใคร่สิ่งทั้งปวงและทิฏฐิของสมณพราหม์พวกที่สามเอียงไปในทางกำหนัดยินดีบางสิ่งและเกลียดชังบางสิ่งผู้รู้พิจารณาเห็นว่า เราถือมั่นทิฏฐินั่นอย่างหนึ่งอย่างใดกล่าวว่าสิ่งนี้แลจริงสิ่งอื่นหาจริงไม่ก็ต้องถือผิดจากสองพวกที่มีทิฏฐิไม่เหมือนตนครั้นถือผิดกันขึ้นการวิวาสเถียงกันก็มีขึ้นครั้นวิวาทมีขึ้นการพิคาดมาดหมายก็มีขึ้นเมื่อความพิคาดมีขึ้นการเบียดเบียนกันก็มีขึ้นผู้รู้เห็นอย่างนี้แล้วย่อมละทิฏฐินั่นเสียด้วย ไม่ทำทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้นด้วยครั้นแล้วทรงแสดงอุบายแห่งกาละความยึดมั่นถือมั่นว่าอคิเวสนะกายนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ำลมไฟมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเลยต้องอบต้องอาบเพื่อการกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมนทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจกักษุ ควรพิจารณากายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลำบากชำรุดสุดโซมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจลกใครต่อความกระวนกระวายกายนี้เสียได้ดูกรผู้สแสวงหาสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์มีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนัก ที่ยิ่งไปกว่าความต้องประคับประงมกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกข์ทรมารเหลือเกินก็เพื่อกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเป็นเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประคบประงมต้องใส่ ย, ยาทาพอกกันอยู่เป็นหนึ่งนิดพระศาสด า, าจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันทั้งทั้งที่เป็นดังนี้ มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยของงามน่าอภิรมชมชื่นยื้อแย่งข้าวฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องให้คลั่มครวนถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้เพราะติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลยเยอื่มอยู่ทั่วไป มีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดหุ้มห่อสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามน่าลูบคลำสัมผัสแต่ว่าอันที่จริงแล้วความสวยงามสิ้นสุดแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกคนที่รักการปานจะกลืนก็คงวิ่งหนีไปนแน่ อันหนึ่งผิวหนังที่พอสวยนั่นเองก็เปลอะเปื้อนด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องคอยชําระขัดสีอยู่เป็นหนึ่งนิดเว้นการชรําระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นเหม็นสาบเป็นที่รังเกียจแต้งนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณา่งเนืองซึ่งกายคติภาวนาคือการคานึงกายนี้ว่าไม่งามโสโคลก เป็นที่ตั้งลงและหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายดูก่อนอกิเวสนาอนึ่งเวทนาสาอย่างคือสุขทุกข์และอุบเบกขาเมาื่อใดบุคคลเสวยสุขเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกข์และอุบเบกข า, มาเมื่อใดเสวยทุกข์เมื่อนั้นไม่ได้เสวยสุขและอุบเบกขาสุขทุกข์และอุบเบกขาทั้งสมอย่างไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย ทีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาสาวกของพระอริยะฟังดังนี้แล้วเมื่อเห็นตามอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขและทุกข์และอุเบกขาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้นรู้ชัดว่า ความเกิดสิ้นแล้วผู้พ้นแลวอย่างนี้ย่อมไม่วิวาสทุ่มเถียงกับใครกับผู้ใดด้วยทิฏฐิของตนโวหารใดที่เขาพูดกันในโลกก็พูดตามบูหานนั้นแต่ว่าไม่ยึดติดไม่ยึดมัน่นโดยทิฏฐิใดๆ ท, ท, ท, ท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบสุขสำคัญมันหมายว่าความทุกข์เกิดสิ้นแล้วแก่เรานี้ เป็นของเที่ยงย่างยืนติดยึดจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นๆจะสถิตยอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพรื่อมรพันส่วนคนที่ประสบสุขเกล่าก็เพลิดเพลินในความสุขด้วยสําคัญมั่นหมายว่าสุขที่เกิดแก่เรานี้เป็นของเที่ยงย่างยืนจึงติดสุขพอสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้น เหมือนคนเห็นเงาดวงจันทร์ในขันน้ำจึงคว้าเอาก็คว้าขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่พราะราดาเอยอยันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปรปรวนไปเพราะการแปรปรวนแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุขณะนั้นพร่สารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิสดางแห่งพระาศาสดา ได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ตัดแก่ทีาคณขะปริภาชคพลางดำรีว่าเพราะผู au, th th ali, ้มีพระภาคเจ้าให้ละความยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายมีทิฏฐิและเวทนาเป็นต้นเมื่อท่านพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาด้วยโยนิโสมนาสิการจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ย e าาึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานส่วนทีคณขะปริภาชนั้น ได้ดวงตาเห็นธรรมสิ้นความเครือบแคลงสงสัยในบรวรและพระพุทธศาสนาทูนสันเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่าเหมือนหายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนที่หลงทางซองประทีปไปที่มืดให้ภูมิจกักษุได้เห็นรูปแลแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีพ บัดนี้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้สำเร็จอ ร, รหัตผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้ย่ำยีความเมาทั้งปวงแล้วได้นำความกระหายทั้งปวงออกแล้วถอนอาลัยทั้งปวงออกได้แล้วตัดวัฏฏะได้แล้วสิ้นตัณหาแล้วสำรอกราคะได้แล้วดับกิเลสทั้งปวงได้สนิทแล้ว เพราะภาวะแห่งอรหัตผลนั้นทําให้จิตลบเสียได้ซึ่งสมมติบัญญัติทั้งปวงซึ่งเคยติดใจมานานเพราะจิตได้หลุดพ้นจากความยึดมั่นในสมมติบัญญัติใดๆแล้วคงเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสมมติบัญญัติตามสมมติปวงหารของโลกแต่ไม่ติดไม่มีอะไรในสิ่งนั้นๆผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานนั้นเนื่องจากดับเหตุแห่งทุกข์ได้โดยชิ้นเชิง ความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นมีแต่ความสุขล้วนเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยอามิ t h คือเหยื่อของโลกแต่เป็นสุขและปลาโมดซึ่งเกิดจากธรรมมีความเย็นฉ่ำในดวงจิตเพราะไม่ถูกกิเลสเผาลนให้เลาร้อนกระแสดวงจิตของท่านไม่มีความเศร้าหมองหรือความชั่วหลงเหลือเจือปนอยู่เลยความกระเสือกกระสนกระวนกระวายแห่งดวงจิตได้ดับลงสิ้นสุดลงตรงนิพพานี และตรงนี้เองที่ความไข้ทางกิตได้ถูกเยียวยา ห, หายขาดไม่กำเริบอีกความประหกระเหินแห่งชีวิตในสังสารวัตรก็สิ้นสุดลงตรงนี้และตรงนี้เองที่ให้ความมั่นใจความสงบผราเปรียบความชื่นสุขอันละเอียดอ่อนละมุนละไมความบริสุทธิ์และความสดชื่นที่แท้จริงแก่ชีวิตโลกียสุขเหมือนสุขของคนไข้ที่ได้กินของแสลง มันให้สุกนิดหน่อยขณะกินเพื่อจะได้ทุกข์มากขึ้นและยืดเยื้อออกไปเมื่อมองดูด้วยปัญญาจากสุกแล้วโลกียสุขจึงเป็นของน่ากลัวน่าหวาดหวั่นระแวงไม่น่าไว้ใจเต็มไปด้วยภัยเจื้อไปด้วยโทษทุกข์นานาประการแต่ที่คนทั้งหลายชอบก็เพราะว่าเป็นความสุขที่หาได้ง่ายและเพราะความไข้หรือความกระหายทางจิตผลักดันให้แสวงหา ดูกนผู้สแสวงหาสัจจะท่านเห็นเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างไรควรชื่นชมหรือว่าควรเศร้าสลดคนผู้หนึ่งถูกผลักดันให้ดันดนเข้าไปในป่ารกมันระดะไปด้วยเรียวหนามและทางอันขุกขระขณะที่กําลังเหนื่อยจนจะหมดกาลังอยู่ดัานเขาเผชิญหน้ากับช้างป่าซึ่งดุร้ายเขาออกวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัว มาเจอสะใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายทะเลสาบเล่นน้อยในป่าลึกนั้นเขากระโดดลงไปในทะเลสาบเล่นน้อยนั้นเขาคิดว่าคงจะพ้นอันตรายได้แต่ชั้นใดนั้นจระเข้ก็ปรากฏขึ้นเขากระโดดขึ้นจากน้ํารีบหนีขึ้นต้นไม้ใหญ่ไดพบรวงพึ่งซึ่งมีน้ําพึ่งหยดลงมาเป็นครั้งคราวเขากําลังจะอ้าปากรองรับหยดน้ําพึ่ง ก็บังเอิญเหลียวไปเห็นงูใหญ่สองตัวชูคอแผ่พังพาลงมายังเขาอย่างปองรายเขาตกใจวิ่งหนีแต่ด้วยความกระหายอยากได้น้ำพึ่งจึงยอมเสี่ยงชีวิตอ้าปากรองรับหยดน้ำพึ่งท่ามกลางอสรพิษทั้งสองเขาเดิมน้ำพึ่งโดยกายและใจที่ประวันพลันพึงดูก่อนผู้สแสวงหาสัจจะ น้ำพึ่งท่ามกลางอสรพิษทั้งสองฉันใดโลคีสุขก็ฉันนั้นมันอยู่ระหว่างอันตรายนาน า, นาประการความตายเหมือนช้างใหญ่ที่ดักอยู่หน้าของคนทุกคนทะเลสาบหรือป่าใหญ่อันชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายคือสังสารวัตรพบอันเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสยังไม่สิน้นอสรพิษ ก็คืออันตรายรอบด้านแห่งผู้ซึ่งติดพันอยู่ในโลเคยสุขน้ำพึ่งระหว่างปากงูคือโลเคียสุขนั่นเองโลเคียสุขน้ำพึ่งระหว่างปากงู